มีผู้ใดถามอยู่่ะแถวหน้าบางอดไรถามยังอยู่่ ะ, ะถามมาผู้ใดสิถามขันตอบว่าใดก็สิโยกใหอ้อาจารย์ปองตอบแค่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผ้าสวดเข้าผ้าสวดญ่าหนี้ไหญ่ญาหนี้ไงเนี่ยสมัยที่ว่าเมืองแหงแรงเมี่ยงเวสาลีไหวสาลีมั่นแรงพระพุทธเจ้าให้พระอานุนสวดญ่าหนี้สวดย่าหนี้ไงสัพเวพวพูตาสุมนาณวันตุนะที่เข้าสวดอันอันกอนกรณีนะ่ะอสวดย่าหนี้ น, ะนั่นแหะ เพื่อนสวดญานี่นั่นสมัยพู้ใเจ้าเพื่อนซักซิดเนาะอ่ะวมแหลงกระมึดอันเมืองไววซาลีนั่นแหลงมาแล้วเจ็ดปีแหลงมาบริษัทไทยยหน้าเจ็ดปีแหลงติดต่อกันมาบ้า น, นี้เกิดโรคระบาดเกิดโรคระบาดบ่านนี้พวกผีพวกยักมากนินคนยักพวกยักพวกผีพวกอาสุรกายเนี่ยมากนินคนในเมือง เวสาลีค้นยากจนชิ้นใจตายไปหลายแล้วคนตายไปหลายเมื่อนหลายแสนแล้วเหลือคนรุ่นรุ่นนั้นมีอยู่มีกินทียังมาท่านตายบัดนี้พระล่าซ่าหรือว่าเศ้าเมืองก็เลยปรึกษากันว่าเออบ้านเฮ้าเมืองเฮ้าเนี่ยมันเป็นอีย่างมันเป็นเคาะเป็นเข็นเป็นเวียนแนวดคือจังมาตายกระดอ ก, กระเดียแท่คือแรงคักแท่คนกระตายคักแท่ บาดนน้เพิ่นก็นเลยว่าเฮ้าสิไปเอาผู้ใดมาะสะดอะดวงซาตาประเทศเมืองของเฮ้าเพ่นพวกจังหนึ่งข้าเจ้าก็ว่าคู่ทั้งหกพวกดาบร ท, ทั้งหลายนะั่นแหละข้าเจ้ากับพวกที่ข้าเจ้าในสมัยตักช่วงนั่นมันก็นมีพวกหลัติต่างๆนะ่พวกสันไส่พวกยังเสีย ที่เขาเจ้านับถือกันหลายหายคนบาดนี้ต้องไปเอาลือสีผู้นั่นมาเห็ดวิธีเอาลือสีองค์นั่นมาสร้างมนั่นสร้างนี่และมีคนหนึ่งบาดนี้ข้าเจ้าเคยผ่านมาทางเมืองราชสกุลเผ่าเจ้าวิปิสารข้าเจ้ามาข่ามาขายพวกพอ ข, าข่าเขาเจ้ามาเห็นว่าเมืองกรุงราชสกุลนี่อุดมสมบูรณ์ฝนตกดีบ่ออึดบ่ออยาก ว่ามีคําว่าแหลงแต่มีพระพุทธเจ้าอพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องวิเศษกว่าลื่สีเหล่านี้่ภาวะลื่สีเหล่านี่เนี่ยอยู่เมืองเวสาลีเขานี่ก็ะเบอือยขึ้บ่ยากฝนกรบือเห็นว่าฝนตกอเห็นว่ามันแหลงมันแหงอยู่จังสี่อคันมันดีกัสิแมันพระพุทธเจ้าแต่ดีกว่าเพิ่นอยู่เมืองราชคือนนฝนตกดีตามต้องที่ต้องฤดูกาลมาสั่น คนทั้งหลายก็เลยเห็นด้วยบ้านคนทั้งหลายว่าคิดว่าพระพุทธเจ้านี่เฮาต้องไปขอพระพุทธเจ้าจากพระเจ้าพิมพิสารพระราชาพระเจ้าลิ้นสวีนี่ก็เลยแตง่งพวกตัวแทนเพิ่นไปตัวแทนไป <c oughs> ไปหอดแล้วกะเอาเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เอ้ยปากขอว่า พวกข่าพระพุทธเจ้ามาเมื่อนี่ต้องการสีมาขอเอาพระพุทธเจ้าจากมหาพรพิธไปโบดเมืองเวสาลีหัวซันโอ้ท่านทั้งหลายยะสมักกาวแบบนั่นหัาซันพระเจ้าวิพิสารว่าพระพุทธเจ้าเพื่อนเหนือทั้ง แม่้าเท่ามหาพมเท่าสักกาเทวราชพวกอินพมย่อมยักในโลกสามเนี่ยเพื่อนเป็นไญมั้งซ้พาพระล่าซ่าหากษัตริย์ในโลกมนุษย์เท่านี่บ่ได้ซ้าขีเล็บเพื่นดอกสําขีตีนเพื่นดอกไว้สั่นพวกท่านต้องไปนิมนต์เพื่นเอาเองเพื่อนบ่ได้ยึดไต้บังคับของเท่าเี้ไวาสั่นอพระเจ้ามิพิสารก็เลยบอกสุ้มนั้นสุ้มนั้นก็เลยพวก เจ้าลิ้นสวีกุมนั้นก็เลยไปนิมนต์ภูติเจ้าเพื่นก็เลยโตกลงหลับว่าสิไปอีกเทนา น, นมือสิไปพระเจ้าพี่พีสารนี่แตงที่วะนี่แตงถนนโน้นทางลูจ่จากว่าพุติเจ้าเพื่นสิสเสด็จไปเมียงเวสาลีเพื่อนก็จะว่าให้ปะซ่าส้นไปถากค้างขุดขี้ดินขุดขี้ดินให้เรียบราบให้ห้าบห้าปลายแล้วเอาดอกไม้ไปโปยไปโรย แล้วก็เฮ็ดอดอกไม้กั่นทั้งทึง่งเฮ็ดหฮมไม่พ้อมเวลาเพันยางไปเนี่ยให้ว่าเกนคน์ข้นเมื่อตื้งเมื่ประเทศข้าเจ้านั้นเขตท่างแล้วก็มุ่งพร้อมอทั้งทึ่งกับแม่ดอกไม้เอาล้ยแผ่นดินไปเนี่ยยางไปเพียงว่าเขาดอกไม้ประช่าส้นเอามาล้ยบ้า น, นีนพ่อดีพวกเจ้าลิ้นสวี เห็นอันทั้งพระเจ้าพี่พิสารเห็ดบูซาพู้ใเจ้าของสันทา้งนั้นก็เฮ็ดขึ้นกันเข็ดหลับเฮ็ดขึ้นกันอ่า พ, พ, พ่อพู้ใเจ้าเพิ่นเดินผ่านไปไปขามแม่นม้ำอ่าไปขามแม่นม้ำอันซัก์ซีดก็เยาละลนะอ่าแม่นม้ำไปผ่านแม่นม้ำอ่าพ่อสิกขามแม่น้ำไปเนี่ยทั้งท้าวสักกาเทวราชนี่บันดาลในฝนตกลงเพราวะว่าเมี่ยงเวสาลีนั้น คนตายเนี่ยขาเจ้าว่าเดีไปถิ่มปลาซาพอามันหลายต่อหลายแล้วก็มีมีเฮียมีแห้งเสียวกันไปถิ่มคนโซ่โซเซ่เตายยื้อน่องหลอกบานหลอกตีนบานหลอะในบ้านเนี่ยบ่อิดบ่ยาบให้ว่ากินนั่นกินเหม็นคนนั่นมันเ ข, ข่าปอดมัดสูขคนแล้วคนอยู่ในเมืองนั่นมันก็นเลยพ่ออยู่ได้คือกันกับสมัยตะกรอนห้าหลอกปออคันไปหลอกที่แหลกเนี่เหม็นแห้งขันพ่อดี ปอดเท่านี่คั้วมเม็นมันเข้าไปอยู่ในปอดเท่าแล้วนี่ยมันเศ้าเมน็นคือกันอันนี้ศพคนนั่นซีเมนต์ปนไอกระกสาเขาเจ้ากัอยูได้ราว่ามันกินมิถกินเนี่เน่าข้นคนเน่านะ่ะอบอวนอยู่ในเมืองนั่นแต่ว่าว่าเท่าสักกาเทวาลาดพ อ, อินเนี่เพิ่นบ่ให้พระพุทธเจ้าไปถือกินอันนั้นเพิ่นต้องถําสะอาดเพิ่นกะเล่ให้พวกเทพพระบุตรทั้งหลายน่ะ อ่าไม่จัดการให้ฝนตกฝนตกนี่น้ำไหลซอเอาศพออกนี้จากเมืองลงแม่นม้ำออันอั น, อนคงค่าไหลไปน้ามแม่น้ำโคงค่ามดเป็นเงียปลาเงียหอยเงียเต่าไปมดเลยอันอันซากศพของคนอ่ะเป็นจันเด้งขันเบาถึงแม่น้ำโคงค่าว่าเป็นน้ำแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์คนประเทศอินเดียเนี่ยเขาเสือเด้ย่ยเขาเสือว่าศักดิ์สิทธิ์ ถ้าหากค้นเจ็บใครได้ป่วยได้เอาไปได้ไปเอาไปล่างไปอาบนี่กระสีมดม่นทิ่นเด็กน้อยเกิดขึ้นมาเนี่ยเอาไปล่างเลยเด็กซุ่มลูกคนรวยมีเงินมีทองข า, ขาจ่างพระหเนะไปได้เนี่ยเอาไปอาบไปล่างเป็นม่นมงค้นเป็นศรีม่งค้นเป็นทิว่า เ, ว า, นะ า, เาเสื้อคักมะนั่นวะเนาะขาเจ้าเสื้อเสื้อว่าสิบปตกนาลกผ อ, อมควอมเสื้อของคนอินเดีย แต่หลวงพ่อบอสเซียหลวงพ่อกับไปยุไปอินเดียถ้าไปกาพุทธเจ้าเด้ยข้าเจ้าผ้าไปไปเบื้องแม่นางพงค่าขึ้นกันแต่หลวงพ่อบอเสืออ่าซีเซียจังไได้อ่าแม่น้ํางงฆ่าเขาเผาศพเนาะเขาเผาศพเผาศพแล้วก็งัดลงไปเขียลงไปใหม่บ่เหมดก็งัดลงไปบ้านี่ศพคนศพค้นทีเขาเจ้าเป็นนักบวชนักบวชยิ่งดู ผู้ยิ่งก็มีผู้ท่ายกมีเขาเจ้าเป็นนักบวชน์บ่แม่นในหน่อยได้นักบวชอินเดียเขาเจ้าบวชบ่เนี่พวกลื้สีบัเนี่อีกต่างหากขืนซื้อว่านักบวชกับคนทียังบดไอแตงงานเขาเจ้าบ่เผาขนทียังบนไอแตงงานผู้ท่ายกสร้างผู้หยิ่งกับสร้างนักบวชกับสร้างนักบวชแล้วแต่สีเทาสีนุ่มเอาไปถีมล้งในเมียนาม่วคงฆ่าเมด อ, อ่ะ ปลาไหลขึ้นสิตัวใหญ่ว่าคิดว่ามันกินคนเนี่ยเยอะในแม่น้ําพงค่าปลาโดปลาอีจนปลาคอปลาดุกปลาโม่เหนี่ยมันสิกินอ้วนมดชิ้นตัวอะปลาในแม่น้ําพงค่าเพราะว่าประซาก้อนข้าเจาลายนักบวชขาเจ้ากระลายคนที่เขาเจ้าว่าได้แต่งงานเนี่ยเขาเจ้าบ่าเผาเนี่ยมันเห็นสิบว่เผานี่เห็นจังไหเอาศกใส่เลื่อลงไป เอาศบใส่เรือลงไปแบบนี้เขาเจ้ากก่อนอิฐก่อนอิเขาเจ้ามัดก่อนไงได้ก่อนอิฐแดงขาเจา้าขาเจ้ามัดก่อนอิดติดศพกระถิ่มออกจากเรือจมลงในน้ำอ่าขาเจ้าเห็นสัน่นแม่น้ำข้าเจา้าซักสีขา้ากิริให้ว่าผู้กินก็กินยุ่งสัน่นคนที่ไปเที่ยวประเทศอินเดียได้กินน้ำอันันเม็ดเพราะว่าเขาเจ้าเอาหนามอันันมาเห็ด น, น้ำประปาทั่วประเทศ แม่น้ำทิวาเนี่ยเป็นแม่น้ำศักซิดปนั่นนี้ซักซิดอีหลีแต่หลวงพ่อกระดือดึงว่าถ้าหากมันไปสวรรค์ได้เนี่ยอันงูปางูตาเตียมักห้อยขั้นมาหอยแข้งอันอยู่ในแม่น้ำนั้นปลาอีดปลาซิวปลาหกปลานัางปลาอีหยังน่ะมันกระสิเก่งปนนั้นบอกได้ไปสวรรค์เมือ่อข้นในก็ะสัวก็ปลาคุณเต้หลวงพ่อก็เลยวางสิ ก็งม ง, ง่ายโพดที่ว่าสิเอาศพไปแสแนมพงฆ่าเหรอสิได้ไปสวรรค์คันตายแล้วไปเผาแล้วเอาศพโรคแสแนมสิมสไปสวรรค์หลวงพอ่อเลยบเสียอ่าเรียว่าเขางม ง, ง่ายว่าเขางม ง, ง่ายแต่เขาถือขอาอิริเดคันแมน่นคือจังหลวงพ่อไปเว้าเขาหูจักผ้าสาเขาเนี่ยเขารุ่มขาตีตีตายฆ่าหันบน่ได้หนีมันเนรอเขาเหยียบตายฆ่าหันเลยเนี่ ขันศีไปลบลู่เขาไปลบลู่เขาบะได้เนี่ยหินดูเขาเนี่ถือหลันถือขังอันเลียงอันอยังสิอขขาา่าข้าเจ้าไปว่าวเลยข้าเจ้าบ่ไดอันนี่ว่าวยุพีดอกอะยะเขี่ ด, ด้วพวกเจา้า <c oughs> มันเป็นเรงสั้นตัวสิไปอันสิว่าอเอาศพอันค้นไครได้ป่วยเขาเจ้าสิเอาไปได้เข้าเจ้าสิมีอันโล่งแลมข้าเจ้าสร้างโล่งแลมร่อตายไว้ ถ้าเจ้าอที่ว่าโรงแรมมลมม้อระนาะโลงแลมไว้ทะยู่ค่อยตายซุ้มคนล่วยเนี่ยเอาพอเอาแม่ไปไปไวเทิงหันไปไว้อยู่โรงแลมมันเอาคนใส่เฝาไว้เอาคนใส่เฝาไวให้น้าําให้เขากินไว้บัดนี้กัโดนเทียกับไปเยี่ยมไปเยี่ยมพอเยี่ยมแม่อ่บาบัดนี้หอดวันสําคัญเอาพอเอาเมอลงไปแสีน้าํา ไปอาบน้าล่างบาปขันสมมุติว่าอันคนไส่ยมันขี้ข้านเฝาเนาะมันกระสีป้อยให้ผู้เท่าๆนั้นจมน้ำตายก็เรียบร้อยไปคือกันกันวะอ่ากระเห็นจันละดูทามันเสดิจันเยอะอ่าผูู้มันนั้นผูมันไปเฝามันมันอยากให้ตายเรียวนะกระสีปล้อยล่วงไปให้ตายเลยล่ะบกขี้ข้าน เมีนยนขี่เมียนเงีย้ยวขี่ขานป้อนเขาผู้เ่านะเกษตรปอยเห็นล่อลงน้าเลยตัวในมันเจเดอันจันเดียอันอินเดียออันนี้แหละคนเห่าอย่าไปคิดว่าอัน อ, นอนมันศักดิ์สิทธิ์เด้อแต่ว่าคนไปเนี่ยผู้ได้ไปกระสงังคือหม่องท่องเที่ยวสถานหม่องสถานที่หม่องวาเนี่ยมันเป็นทีท่องเที่ยวของเมียงพระนารสีธาธาหนามเขาอย่ามันมีหลายธาบานนี้กษตร เมาเรือล่วงไปมันก็นเลยเป็นไล่ได้ของข้าเจา้าอเป็นไล่ได้ของประเทศข้าเจ้าเลยนละขันผู้ใดไปแล้วบ่เห็นแม่น้ำพงค่าบ่ได้ไปล่องไปล้อยเรือบ่ได้ไปล้อยกระทงนี่บาปหลายเนอันผู้ใดได้ไดปหันเราคือจิได้พุญคอยก็ได้อันล้อยกระทงน้องเขาเจ้าอยู่ดอกเดองนั <c oughs> ่นเดนินสันไอแม่น้ำพงค่าบานนี่ พระพุทธเจ้าพ่อขามฟังไปอขามฟังขื่นไปข้างนั่นแล้วเพิร์กระเล่เอาบาดเพิร์ลเอาบาดของน่วยของพุทธเจ้าให้พระอานนนอานนนเธอจงเลื่อนเอาลัตนาสูตรนี่ไปประพรมนม้ำพุทธมน่นให้เศร้าเมื่องนี้พระพุทธเจ้าบอก บ, บาดบาดเดียวเพคนจํา เ, เดี๋ยวนพระอาโนน เพื่อสมองเพื่นจริงอ่าข้อพิวเตอร์ใหญ่วางสิละไปอ่าอันของเพื่อนนั่นสมองของเพิ่นเพื่อนจำใบนั่นพระสูตรไหมพระสูตรพวกเจ้าวัมพระพุทธเจ้าแสดงถ้ำอยู่จักปีสี่สิบห้าปีปปสี่สบห้าพรรษาพระอานุณจําได้เมื่อพวกเจ้าเงีดบบ่อยว่าอันอันเชียงคอมพิวเตอร์สมัยนี้บรรทุกว่ได้หลายประนั้นบรรจุบ่าได้หลายประนั้น ของพระอนุนเนี่ยเพื่อนเทศยืดดาวดึงจือได้เมดทุกถูกคำเทศไปปวดผู้ใดผู้ใดยื้อสายกระสงเพื่อนยือได้หมดวาตาภูตะเจ้าเพื่อนออกปากบอกเพื่อนจำได้เมื่พระอนุน์พ่อเพื่อนบอกว่าห้ทองอละตะนาสูตรเนี่ยเพื่อนทองได้ทองได้แล้วเพื่อนกับพ่มน้ำไปเรืยย่อยๆเฮ็ดเอาน้ำ ม, มาใส่บาตรแล้วก็ใส่ฮหดไปเรืยย่อยๆ ประพมน้ำไปเรื่อยๆยาสิทไปเรื่ยอยๆสลัดน้ำสิทใช้ผู้นั่นผู้นี่คนนอนป่วยอยู่นี่ถือน้ำผลิตเพลินฟืน้นฟื้นแข็งแรงขึน้นทักทีเทียน้ํากลดเพลินไปเลยกลัวว่ามื่ขึ้นสอดแจงเนีพระอนุ น, นไปเมื่อขึ้นสอดแจงเข็ดน้ำผลิตไปองค์เดียวเด็พระพุทธเจ้ากับพระพีส่สูสกุมอืน่นเพลินไปพักอยู่มองมองอันๆมองรับรองของพระราชาแล้ว กลัวพระอานุนสิไปถึงจุดนั้นสว่างพอดีแงงแงงพอดีแงงพอดีแงแงแ ล, แล้วๆเนี่ยพระอานุ์ไปหอดนานแล้วคนที่ติดตามเพิ่นไปเนี่ยเป็นพุ่นคนที่ก็เจ้าเจ็บไครได้ป่วยถือน้ามปลิดแล้วหายโลกบาล น, นี้พวกคิดวิญญาณของพวกเปรพวกยักษ์พวกผีสุ่มที่มากินคนอยู่ในเมืองถือหน้ามปลิดเพิ่นเนี่ยหนีมัดบอมี่ตัวใดอยู่ไกล บ้า น, นี้เทพพระบุตรเทพพวกเทวดาทั้งหลายนี่ยถูกสั่นฝ่าจากเท่ามหาพรหมนลงมาเมดลงมา ก, กาศมาไหวโพธเจ้าแต่ข้าเจ้ายืนนานฝ้าข้าเจ้ายับยั้งไหวยึดทั้งอากาศในขณะนั้นเมืองเวสาลีกับตะวันนี่ได้เบิงเลยในขณะนั้นพวกมนุษย์เมืองเวสาลีเนี่ยเลี้ยวเห็นวิมานของเทพพระบุตรเทพธิดา บาดนี่พวกเทพพระพุทธเทพธิ่ดาเนี่ยข้าเจ้ากับปากรข้าเจ้าเลี้ยวเห็นพวกอันมนุษย์โลกนี่คือกันพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยปรารถนาอยากจะเป็นเทพพระพุทธเทพธีดาอยากจะเป็นพูะพธเจ้าองค์หนึง่งเขาเจ้าอยากเป็นตั้งสัจยะไสยของพระพุทธเจ้าเพื่อนแสดงถ้ำเพื่อนแสดงรัตนาสูตรนี่แหละเพื่อนแสดงถ้ำคนบรรลุธถ้มนั้น พนบรรลุธรรมนี่ก็หลายเติบเนี่แต่ว่าพวกไก่เทพพวกเท่ามาหาพมพวกเทพพระบุตรเทพธิดาเนี่ยบรรลุธรรมในครังนั้นน่ะหลายโกรธเพื่อนว่าโกรธหนึ่งก็คือสิบลา้านขันเข้าเจ้าลเนี่ยสิบล้านเป็นหนึ่งโกรธอันนี้ยังว่าหลายโกรธอยู่เพื่อนบรรลุธรรมพวกพวกพวกนั่นมันหลายเนียอ่าพวกเจ้าคิดว่าอันพวกข้าวเหลียวพอเห็นหนี่สิหน่อยบ่ก อ่าห้าเบิ้งด้วยตาเนี่ยเพเห็นนี่อ่าห้าเอาตาเนี่ยเบิ้งกันเนี่เหาเห็นเนี่ยหาเห็นซํานี่กับสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ในโลกนี่มนุษย์ในโลกมนุษย์เท่าเดียวนี่มันมีจกักรลอยประเทศสามลอยสี่ลอยประเทศบอกอ่าข้าเจ้ากระประกาศว่าคนในโลกนี่ประมาณเจ็ดพล้านอ่ทีเขาเจ้ามันเป็นพันล้ากนก็มีอินเดียกับจีนอ่าประเทศทีง่ายๆแต่ข้าเจ้าก็ว่ามีอยู่ประมาณเจ็ดพันล้าน มนุษย์ทั่วโลกบัดนี้เนี่ยหลวงตามหาบัวเพื่อนวาังเด๋หลวงตามหาบัวเพื่อนวัดเพื่นเทศอยู่วัดว่างเลิกนี่แห้ะงานหลวงปู่มหาบุญมีอ่า่วงพ่อสอสามหาบสวงนั้นเพื่อนว่าโลกมนุษย์เท่านี่อ่าหาเปอร์เซ็นซุ้มทีเหลียวว่เห็นนั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นเห็นบ่าอันนี้เระมันลืนกันยังส่ ที่ว่าค้นบด้บรรลุถ้ำหลายทอเทพพวกเท่ามาหาพุทธนั่นอายุข้าเจ้านั่นเป็นหลายลอยล้านปีแอบพวกเ่านั้นอายุเข้าเจอยืน่นพวกเทพพระบุทษเทพที่ดาทั้งหลายอายุกวักนั้นมันหลายลอยล้านปีแอบหลายสิบล้านปีขนาดสันดาวดึงเนี่ยเป็นว่าอายุไขของสันดาวดึงสามสิบหกล้านปีของเมืองมนุษย์เท่าอันพวกเขานี่เด้ ร้อยปีก็ยังบอยากมี่อ่า ส, ส่วนศิษยไปใต้เต่้ว่าพันปีเอก ส, ส่วนศิษยหอดหมื่นปีเอกหอดล้านปีเน็ฮตังเดย์บอลมี่ไทยเฮาของพระเจา้าระว่าสาสบหกล้านปีสั้นดาวพดึงษ์นี้บอคันสั้นย่ามา้าสั้นดุสิตสั้นนิมมาลตีอ่าปาานิมิตตาวสวตีคหอดเท่ามหาพุเนีลยอันโมนันทั้งเป็นนับบ่ได้อายุพระเจา้าพระเจ้าก็ยื่น ขาเจ้ากันได้หลายก็เฮ้าอันนี้เา ล, ลวงตาเพิ่นว่าโลกอัอนตามนุเท่านี่เลี้ยวเห็นโลกมนุเท่านี่มันมีแค่หาเปอร์เซ็นเก้าสิบหเปอร์เ็นนี่แมนโลกทิเพื่อนว่าสเพื่นเถนสิเนยยี่ยแมนยกยวดปางเรื่องยวดปางเริ่องพ่อสอสามหาบอกลวงพอเนี่ยก็ได้มากโยกขี่รถล่องนำห่อนมาโโล่องนำหอนอน่อนพ อ, พอไผงมาก มาตมนำหอนอมานอนอยวดว่างเรื่องไดมาบินดาบาดบ้านนัน้นทาขอนย่างต่างตะกียส่วงระยะตะเกียมันข้างแขนกันย่างๆอยูอย่เรืง่งส่วนตลอนระยะตั้งตะกุนแม่นว่กข้างแขนพระท่านใหม่เด็กไฟพ่ะท่านใหม่สลากเ่็นบานทาขอนย่างเดมาบินดาบาดบานทาขอนอย่างเยอ่ตะกียร์ม า, นานส่วงงานหลวงหลวงปูมหาวุี นั่นล่ะอนนั่นล่ะหลวงตาเพิ่นเบาหลงสันพวกเข้าเนี่ยเข้าก็มีตาตาเนื้อนี่มันก็เลยเหลียวบ่เห็นคันผู้ใดได้เห็นมาเนี่ยโอ้ยจะเป็นแต่อยากไอ้เด้อบ่เป็นแต่คิดไปทัวทีบเด้ข้าเจ้าหูจักใจห้องฉีดบาดเนี่ยหลวงพ่อไอ้ข้าเจ้าเด้หลวงพ่อไอ้ไอายอาย้อยข้าเจ้าสุ่มข้าเจ้ายิ้วัดหลวงพ่อเห็นยิ้วัดหลวงพ่อเนี่ย มันหลายก็คนอยู่ในบ้านอันพวกอันที่ว่าวิญญา่งย่านอันต่างๆเนี่ยจักสิเอินเขาจะวาอย่างดอกสิว่าลูกคาเทพละ่ะล่องพ่อึ้นว่าสิเอิญเขาจะว่าเป็นลูกคาเทพทีเขาจะอยู่น้าอันมโนั้นเต็มเทยีบยบยกเข้ายางไปเขาเจ้าหลีเขา้าแต่ว่าเข้าคิดยังไงเขาหลุจากเมื่อเป็นแต่จากอายตัวนี่แหละแอบเป็นตั้งาหายละว่างคว่ำคิดจะของ ให้มันมีผุดโธหรือว่านอมที่เจรนากายของตัวเองไปย่ัศคิดเพื่อเพื่อนอยากได้จังสั่นอยากได้จังสี่สีเอาจังสันเสียวจังสี่ย่าไปคิดหลายเนาะอยากอายเทพบดาแต่ว่าพวกเทพเหล่านี่เขาเจ้ารู้จักละเอียดปนนั้นนี่ขาเจ้าหลวงพอเราเดียรนี้่ขาเจ้าหูจักมัด้นี่ขาเจ้าหูจักมัดหละเขาเจ้าได้ยินมัดพวกนี่ยุกไกลก็บหูจักเขาเจ้าได้ยิน ยักเว้นไดชุ่มเนี่เขาเจ้าเก่งยังสัน่ขขนขวน่ขขวมคิดข่วมเนึกอข่วมเนื้อข้อเงาข่วมคิดข้อเงาเนี่ยขาเจ้าหูจักพวกเพทขึ้กันพวกเพทพวกผีนี่ยขึ้นกันเขาเจ้าก็รู้จั ก, จกหมดพวกเทพของหูจกักข่วมคิดข่วมเนื้อเขาเขาเจ้าเก่งยังสั่นเนี่ยแต่ว่าอยากไปเป็นเพทเด้อขับไปเป็นเพทเป็นผีแล้วมันก็ถูกบ่าเป็นธรรมดาขันไปเป็นลูกขเทพไปเป็นเทพพระพุทธเทพธิดาย่างย่งดีโยสุมนั้น เขาเจ้าพ่ะเด้ทํามาหาอยู่หาจินคือบวกเข้าอ่จาจักว่าไปอย่างเที่ยววุ่นวุ่นอยู่เป็นครูเป็นคูไปด้แต่บ่มีผู้เฒ่าหลวงพ่อเห็นยังสัน่นบ่มีคนแก่คือเข้ามีแต่เป็นบ่าวเป็นสาวเมืองข้าเจ้ากระยุ่ในโลกเข้านี่แต่เขาเจ้าพรได้อาศัยตะเวีนนยนนวยนี่ของข้าเจ้าต่างหากเดชข้าเจ้าพรได้ใส่ตะเวีนของเขานี้อันโลกมองข้าเจ้าอยู่นั่น มันเป็นแสงอันอื่นต่างหากขาเจ้าพรได้อาศัยดวงอาทิตย์ข้าเจ้าพรได้ห่อนน้ำเห่าเห่าเอาห่อนห่อนขึ้นเนี่ยขึ้นมือเนี่ยมันห่อนห่จ้ะข้าเจ้าพรได้ห้อนน้าําเห่าขาเจ้าโลกข้าเจ้านี่ยเ ย, ย็นพอดีพอดีเป็นสันอ่าหลวงพ่อไปเห็นเนี่ยขาเจ้าว่าหลีเคล้นหลีเคล้นข้าเจ้ายังหลีกลงพล อ, อยเลยอ่าแต่เขาเจ้ามีตะพูงามงามหล้วแต่มีตะพูนุมผู้สาวผู้เถาพูเจ้าว่มีจม็คแมนผู้ใดเป็นพ่อเป็นแม่กัน มันมันเกิดข้าเจ้าไปจุดติเกิดขึ้นมาโหลดโลกอันนั้นแบบที่ว่าคนทําบุญแล้วมันไปจุดติเกิดขึ้นมามันก็เลยเป็นคนหนุ่มคนสาวเลยบอมีภูเท่าลงพอไปเห็นเองสั้นก็เลยว่ามันหลายอโลกโม่นี่มันหลายเนี่ยมันเห็นสัน่นอันนี้แหละพวกเฮ้าเวลาที่ว่าพระพุทธเจ้าเพลินแสดงถ้ำแต่ละบอนละบอนเนี่ยพวกเทพจงคอยได้เปรียบพวกเฮ้า อันนี้คือพววเข้าได้มาททำคว่วมดีได้ทำบุญทำท่านสร้างบุญกุศลไหวในเมืองมนุษย์แล้วเวล่าเข้าไปจุดติเกิดในเป็นเทพพระพุทธเทพธิดานะอายุมันหลายล้านปีบัดนี้ในขณะที่เข้าเป็นเทพอยู่นั่นพระพุทธเจ้าประมาณล้านกว่าปีหรือว่าสองสามล้านปีเพื่อนเกิมตัสรูเทียหนึ่งเนี้บแมนถึงสบล้านปีเนี้ประมาณสองสามล้านปีต่อองค์ เพื่นสีมาซัมนีแต่ว่าโลกม น, นุษย์เทานี้ตายเกิดตายเกิดที่นี่ จ, กจกักว่าจักพันจักเมินเถี่ยวกลัวพระพุทธเจเ้าเพื่นสีมาตัดสรูแต่ชีวิตของเทวดาเนี่ยขาเจออ้ายังว่าท่านเด็กเคืงองโยขาเจออ้ายังบ่ท่านเด็กเคืองอายุเขาเจออ้ายกอันพระพุทธเจ้ามาตัดสรูนะั่นแต่ละองค์องค์นี่มาตัดสรูแล้วเทพเล่านั้นขาเจ้ากับว่าได้ปาจิไปตีตัวเคียงบินโอ้ยมันเต็มแล้วอเขารับว่ได้มัน อันตัวเมื่อแล้วเขาว่าไ <Rouge>. ด้ว่าเนียเขาล้อยไปเขาล้อยไปเลยพระพุทธเจ้ายืสายข้าเจ้าดิ่งลงไซโหลดล้อยไปจุดติฟั่งเทศน้าเพลินโหลดไท่เฮ <c oughs> <to> ้าในคันวามีพระพุทธเจ้าตัดสรโยกประเทศอเมริกาเนี่ยไปถําเหลืองเดินเหลืองเยอะนี่ผู้จังนึ่งบวพาณเด้อสัมผัสบวพาณญาอันนี้ ของข้าเจ้ามันง่ายยิงสัน้นออันนี้หล่ะเพื่นจังว่าเวลาเฮ้าทําั้วมดีแล้วเฮ้าไปจุดตีอยู่ในโลกอืน่นมันมีขั้วสุขกว่าเฮ้าเพื่อนจังววะ เ, เทียบอมเพื่อนเทียบพระกุฎเจ้าเพื่อนเทียบมนุษย์เฮ้านี่สีลำลุวยบรนได้กระสางสีมีอยู่มีกินดีบรนได้กระสางเพื่อนเทียบไส้กะล่ามะพร้าวไส้กร ะ, กกระป๋อมะพร้าวโลกทิพย์บ้านี้อ่าโลกทิพย์ สันดาวดึง ส, ดสั่สนชุดดูสิตสัญยามาตุชิตาเกินไปเพื่อนเทียบคือเผ็ดคือพรอยคือทองคามันมีคาล่าค้ามันปาปาณีตมันละเอียดกว่ากะลามะพร้าวหลายเท่านั่นละ่ะค่วมเป็นอยู่ของโลกเขาเจ้ามีค่วมสุขลืนมนุษย์เท่านี่หลายนี่มันเป็นสันเพื่อนเทียบเป็นสันพวกเข้ากันยาว่าของกูของกูอยี่เนี่ละ่ะอา่า ให้กูหน้ากูล้านกูลูกกูอ่ะมั่นกันเลยอันเป็นอย่างไรหลวงปู่วันเพื่อนว่าอ่ะบ่ฟั่งข่วมบ่ฟั่งค่วมพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเพิ่นสั่งเป็นเ่าหัวดื้อหัวมึนเ่าหัววายเ่าวดายดอกเ่ายอกล้านเ่าหานปลาเ่าจ่าแห่เ่าแพแดงย่อเ่าปอเเ่าเสียบเ่าวเลียบคลองจินเ่าดินเ่าวหญ้าเ่าคาลูกล้านเ่าผพานพระเจ้า หลวงปู่วันเป็นไรเป็นแต่ยาอี่เองเด้เพื่อนว่าทิทมาณะของผู้เฒ่าของคนบ้านเฮ้าเนี่ยอา่ามันก็ยุงสิมันยินดีพอใจว่าของกูของกูมันก็เลยทีว่าบอ ย, ย่อมบอฟัง่งอา่าผู้ไดทั้งสิน้นอา่าผู้ไดสิว่ามองได้ดีกระซงมันบอยอยากไปมันละ ว, ว่าของกูอา่ามันว่าให้กูหน้ากูสวนกูบ้านกูเฮียนกู หลดกูว่าจันมันว่าโตกูนะเท่าจนตายเจ็บไครได้ปพื่อใจนตายกระยั่งคิดห่วงอยู่คือเกา่าคันเฮายังมีความยึดติดมีความอะไรห่วงอยังไงกลับมาเกิดลอยเปอร์เนต์ น, น, นะผู้เพิ่นไปผู้เพินน่นหนีไปได้เพิ่นนี้ยังไหนจะคอยไปได้ซุ้มเพิน่นเพิ่นไปเทวาโลกซุ่มเพิ่นไปไง่ายๆเด้อซุ้มเพิ่นไปไง่ายๆนี่ย่างที่ว่า คนสิตายอพระพุทธเจ้าเพื่อนสิเห็นนี่ว่าผู้ใดสิตายในขณะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นย่งอยู่นเพิ่งมีพระซ่นอยู่นี่เพิ่นสีพิจรารนาแยาม่วงเด็กตีซีตีหาจังสิเพิ่นสีพิจรารณานางเบิงว่าคนใดสิมักพานมากเขาย่านเพิ่นมากพานเพิ่นเพิ่นกระสิฝ้าไปโปดเอาคือคนนั่นสิมัดซีวิตมือนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นมัน คือเพื่อนเห็นเ่ามัทักุนทลีจริงจังมัทักุนทลีนี่พระพุทธเจ้าเพื่อนอเดินผ่านไปนาบ้านมัทักุนทลีใน้ขนานั้นไก่สิตายแล้วเป็นโลกพร้อมเหลืองลูกมหาเศรษฐีมีเงินหลายๆแต่ว่าพระปัวลูกเนีย่ยขันสิบไปจ้างหมอกระสิเสียเงินมันสิขาดมันสิขาดล้านขาดหมืน่นขาดพัน ให้ทียหมอเขาเอาไปนั่นก็สิอเมื่เงินก็เลยเสียดายเงินหลายก็ลูกบาดลูกตายบ่เนี่ยบาดลูกเพื่อนตายแล้วเพื่อนขึ้นหอดลูกด้บ่เนี่ยลาเอย้ยลาเอย้ยห้ไปแล้วบ่เนี่ยได้บังหนามได้ห่อเขา่าห้ไปป้าสาลูกนี่ฝังไว้ป้าสาบานนี้มัตตะคุนทะลี่เนี่ยพ่อเพื่อนเห็นพูไตเจ้า เลี้ยวเห็นผู้ใจเจ้าท่าดเพื่นเกิดปีตีเด้มัทคุลทลีก่อนผลสิตายเพื่อนเกิดปีตีว่าถ้าหากเล่ายกเมื่อขื่นใดเฮ้ากสิง้อเมือ่อลงไปกาผู้ใจเจ้าลงไปขอบวช น, น้าเพลนหรือว่าสิไปทําความดีน้าเพลนสินะมัทคุลทลีเกิดค่วมรัทธาเหลี่ยมใสยังสัน่ทนท้อนั่นละ่ะได้เท่า น, นั้น ท, ทั้งนั้นเลยว่ายกเมื่อกักบเขื่นเลี้ยวเห็นซื่อๆนี่แต่ว่าใจ เ, เพิ่น ใจเพื่อนถึงพูตะเจ้าในลักษณะนั้นพ่อใจขาดปั๊บไปจุดที่ในเทวโลกบัด น, นี้ไปจุดทีในเทวโลกแหละเพื่อนเขาเลี้ยวลงมาเบิงพอเพื่นเข็นพอเพื่อนนี่ให้เขาไปปาสาเพื่อนเขาเฝ้าจุดที่ลงมาจากเทวโลกสั่นดาวดึงลงมาในปาสาบัด น, นี้แปลงกายเป็นล่างคนบพเป็นเทพบุตรได้บัดแปลงเป็นล่างคน ไฮรัดพอย่หันละใกล้ๆคุ้มมัธากุนทรลีอ่ะะอ่ายุใคใกล้ๆคุ้มจะขออ่ะละพอ่อไอยุหันผู้พอก็เลยมาเห็นอ่าเธอนี่ยหฮเฮ็ดยั้งวาชนเด้ไฮ ย, ย้อนอี้ยั้งวานวโอวาชนเด้เล่ามีรถขั้นหนึ่งแต่ย่งขาดลอ่อเอา้าท่านจะเอาลอ่อเงินล่อท่องพูณบ่วาชนเด้ อยากได้ยั้งก็ บ, บอกมาเฮาเสียวห้ยวะฉันเนี่ยแท่ที่กินตั้งแต่พอตั้งแต่ลูกไส้ป่วยนั่นกายั้งบอกล่าไปจ่างหมอม่ารักษาอแต่ว่าคุยวันต่ไปคุยทับไอ้นุ่มนั่นว่าเธอสีเอาหล่อเงินหรือหล่อทองเล่าเสียวห้ยวาฉันมัทคุณทัลลีก็รู้อยู่ว่าพอจะของนั่นประหยัดมัทหายักจังค่อยรุ้ยเพิ่นกะเลอ่ากะเลยถามขึ้น เอ้าแล้วท่านล่องไฮด้ยวยนี่ท่านล่องไห้เพื่ อ, อยังฉันโอ้ลูกของเล่าคนเดียววะฉันเน่เลามีลูกไส้คนเดียวเป็นโรคผอมเหลืองรักษาไปว่าได้ก็เลยตาย เ, าเล่าก็เละไห้เอาเขาเอาน้ามาส่งลูกเล่านี่ล่ะวะฉันเน่แล้วลูกของท่านเลี้ยวเห็นอยู่บ่เดียวนี้วะฉันเนี่ยเลี้ยก็เห็นแล้ววะฉันเน่เอาพระธิดพระจันยังเลี้ยวเห็นอยู่เนี่ยวะฉนเนี่ เราต้องการพระอาทิตย์กับพระจันทร์มาเป็นครูหล่อมาเป็นหล่อโหลดของเล่านี่ยเราต้องการพระอาทิตย์พระจันทร์เล่าย่างเหลียวเห็นอยู่อันนี้ผู้ใดสัวก็เกันอท่านนี่ยเลี้ยวว่เห็นลูกลูกอยู่ในขีดินบุญเลี้ยวว่เห็นเล่าไฮอยากได้พระอาทิตย์พระจันทร์เนี่เล่าเลี้ยวเห็นอยู่อาจารย์พระอาทิตย์พระจันทร์ก็เดี๋ยวนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นยืนทังฝ้ายืนเลี้ยวเห็นยืนนื่อยอาจารย์เด็ อ บ, บัดนี้ผู้พอก็เล่สงบว่าสูเขาว่าไดโอ้ยชนเดอแอบข่วมเว้าของไอน้นุ่มเนี่ยมันตัดเล่าเล่ยว่าชนเดอปิดปากเข้าเล่ยว่าชนเดอบบัดนี้มัททกุนทัลีก็เลยแปลงเป็นเทพ ป, ประบุขึ้นมากแอบกบ็เลยถามลูกท่านมาจากใสท่านเป็นผู้ใดมัททกุนทัลีก็เลยเปิดเผยคว่วมจริงสูฟังโอ้ว่าชนเดอ บ่ได้ทำบุญทําทานคือไปได้ไปสวรรค์ได้ไว้สิเนี่ยแอบย่งหูจากอยู่เลยย่งหูจากว่าทําบุญทำทานอยู่เลยอันเศรษฐีก็ได้แต่ว่าเจ้าของนางบรเฮ็ดคือประหยัดแห้งบานนี้บ้านนี้อันผู้ลูกท้ายเบาซู่ฟังว่าแค่เหลี่ยมใสแค่เกิดศรัทธานั่พระพุทธเจ้าเสื่อเนี่ยเกิดศรัทธานำ้ำบนเสื่อเนี่ยก็ได้ไปจุติในเทวาโลกสันดาวว่าดึง อันนี้ทรัพย์สมบัติยังมีอยู่ในเกศศิบโกดมีเงินอยู่เกศศิบโกดไปทําบุญทําท่านเนี่ยก็สิบว่ได้หลายก็นั่นอยู่ว่าวพจนเดเมัทากุณฑลีก็เลยภาพพอแมรไปเฝ้าพูตะเจ้าไปฟังเทศภูตะเจ้าเพลินก็เลยอบร่มเอาก็เลยได้เขา ว, วัดตะเมือนันได้ทําบุญทำข่วมดีอันนี้มัทถกุณฑลีเนี่ยโบได้ทำข่วมดีแต่ว่าใจถึงพูตะเจ้าเท่าที่จังได้สิใจถึงพูตะเจ้า พยายามฝึกหัดเอาเดอ้อเหตุ จ, จังได้ใจเข้าสิถึงพุตรเจ้าได้มหาตาทั้บุญทํามทานดอกอ่ามหาตาทั้อันนี้ดอกเอาหายใจระลึกถึงพุตรเจ้าพ่ออ่ามหาตาไปทั้บุญทําท่านอ่าอันนี้คือมีตัวอย่างแล้วมัถกุลทัลีว่าได้ทั้มบุญเข่าทั้พี่เดียวเม็ดเดียวกับว่าเคยท่านอ่พาพักกาดพักบัวพักซี่กระเทียมหัวเดียวกับว่าเคยท่าน แค่ศัทธาผู้จะเจ้าซื้อนี่อันนั้นได้ไปเทวโลกได้อันนี่ล่ะอันนี้อยู่กับที่ว่าใจเฮาบ่วง่วงเถึงว่าเฮาทำบุญทําท่านกระซังย่าเฮาเฮาอย่ามายึดติดในบ้านในซองของเฮาให้จิตใจของเฮาเนี่ยินดีพ่อใจในผลท่านของเฮาแล้วก็แล้วไปอย่าสมัห่วงว่าของของเฮาขันผู้ใดว่ามาห้กูหน้ากูสวนกูบ้านกูรถกูเนี่ย เมื่อเกิดอีกลอยเปเซ็นเลยคือมีคั้มยึดติดเข้าใจวะอันนี้มันมาสิให้เข้าอย่ามายึดติดอยู่นี่อย่าว่าโลกมนุษย์นี่เข้าวิจิตพิสดารัเข้าหรอเออเดี๋ยวเขาสีสางอันนั่นเดี๋ยวเขาสีสร้างอันนี้อันนั้นก็เจราเลิศอันนี้ก็เจิาเลิศ อ, อยากลู่อยากเข็นอยากมาเที่ยวไปเที่ยวน้าเขาโอ๊ยกูเถาเร็วเดิกูอยากนุมขึ้นไปเที่ยวอีกเด้รี่ได้เร็กว่าะนี่ขันมันเตี้ยนได้คือแข่าี่ยมันแมนอยู่แล้วเนาะ แขวกเขาหงวนเขจ้าเห็บใส่หม้ได้แขวคนเทามันเปลี่ยนบไดาจังสรรเดรอ้อคนเท่ามันเปลี่ยนบไดาคือแขวอันนี้มันก็เท่าไปแล้วมันกะจะล่าคำข่าในที่สุดผู้นั่นกะเฮียผู้นี้กะเฮียคอยไปคอยไปว่าแวะแว่ยืน่นอะไรอีกจักสิหอนมือใดเดอ้อห้าแต่ตายอาจสิบว่เห็นกันอีกก็ได้บ้านแนบ้นอนอันแนีมันเนี่ยคนเท่ามันบ้านแหนบ้านน่อน จักว่าผู้ใดสืหอดมือใดอเรื่องพว่วมตายพว่วมเป็นพว่วมตายแต่ทีสําคัญก้อนตายต้องฝึกตายก้อนตายจริงอเหตุสัน้นอคือหลวงพ่อเบาซู่ฟังนี่แหละให้ฝึกเบิงหนังเน่าจากของถอดอาไล่ปฏิเสธตัวเองว่าเมนโตของเขา้ามันเป็นธาตุดินล้มไส้ธาตุดินน้ำล้มไฟมาร่วมกันเขา่าแล้วก็มีวิญญาณมากขอ้อง คันผู้สิคนกายได้เหมนนั้นไ่ได้ย่ายเลยเขากับหูจักอยู่แล้ววาสิ่งสุขกกมันไหลออกอยู่เหยียบคูมือแมนปะอ่าน้าลายน้ำโมกเข้าทายเข้าเงียวออกมาเนี่ยมันบรสะอาดยักยางอ่าหนังหุ่มไหวหนังหุ่มไหวคือทุกอย่างใส่ไหวในได้เลยเนี่ยอ่อันโตเข้ามันมีเหลี่ยกไก่มันมีแนวปิดไหวซื้อมันมีเหลี่ยกไก่มาปิดไหวคันก็ะสันมันเหม็นขากว่านี้ โตเฮาห่างเสร็ได้อาบน้ามดูก็นี่อันนี้มันก็ยังมีมันอันมีมองพิษมองเปิดเฮากินเข่าลงไปเวลากืนลงไปมันก็อาออกหลับเออเอาเข่าลงไปแล้วเข่าไหลล่งผ้าลราไปแล้วมันก็มีลูกกระเดียกนี่หลักใบซีดๆได้เลยนี่ขันกระสันมันแสดงอาการเหม็นเน่าออกไม่เฮาดมนี่ปาโทมันสินอนหลับบ่เหม็นจะของเออยอะในโตเฮาพูดแล้วจัก พันเอาไซคูถังนี่ผู้ละครูพูดเนอะแหเทิงนามเทิงตอนมันอหมผู้ละเคืองคุผู้ละคอนคูพูดแล้วอว่าเหน่หน่อยเด้เลือดในตัวเฮ้าเนี่กับว่าหน่อยนามเหลืองนามเลือดในตัวเฮ้ากับว่าหน่อยนี่แหละสิ่งสกปรกอยู่ในตัวเฮ้าเพลินให้พิจารณาให้พิจารณนาเห็นตามคั้มเป็นจริงคําสอนของเจ้า เพื่อนใ้พิจารณาเห็นตามคว้วเป็นจริงก็คือเห็นแจ็เจ็บตายเปื่อยเนา่าเนี่ยเพื่อนในเห็นลงไปช่างซี่อ้างเมื่อใดเพ่เพอันกำหนดว่าเออคือนั่นได้เห็นรูถแบบ้ามเห็นทำแท้เห็นยังไดสิได้รูได้เห็นหหนํ า, น เ, นานน เ, นนเพลินสิไปจดจ่ออยู่มองอื่นมาได้เพื่อนเพล่งลงมากายให้คนกายให้ม่างกายตัวนี้อแบบสมัยใดกระสาง ข้างพระพุทธเจ้าเพิ่นกระซี่เบิ้องห้เบิ้งกายพิจารณากายเธอจงพิจารณากายให้เป็นของอากูลปฏิกิให้เป็นสิ้นโสโกปฏิกรูณาเกียรตเพื่อนบอกจังซี่เพื่อนบอกผัวเฮา <S <S แต่เฮ้าพันไปเบิ้งเอาต่คว่ำ ง, งามๆขันเจ็บใครได้ป่วยมากกะแลนเขาเพิงหมอเขาโรงพยาบาล อ, อ่ะยาไวอ่ะกรยาไว้ลีละยาไว้ซ้ำซ้มันหัวแหง้งอ่ะคือเลือ เลือนี่เขาเจะฟันมาแล้วไม่ไหมนี่เอาไปพ่ายไปเห็ียบยังก็ได้ไปพ่ายไปน้ำนามน้ ำ, นำสิแกงสิไหลสิฟัดสียัง้งมันก็บอหัวว่านั่นอีกต่อมามันก็คอยผู๋คอยกน้นเน๊อ่าคอยก้อนคอยอเอาใหม่ก็คอยเอาคอยผูหัวซึมอ่าคอยเป็นไปนสิละร่างกายก็เข้ามันก็คอยเปื่อยคอยสุดส้มไปเรื่อยเพื่อนก็บเบิ้งอันนี้แหะเพื่อนว่าเดีไปเบื้องแนวอื่นหอก เบื้องกายม่างกายแต่ให้เบิ้งเป็นปัจจุบันแอะให้ให้มันน้อมคือให้ตายเลี้ยวๆให้เบิ้งควมเปรย์นเนา่าให้เป็นปัจจุบันได้ถ้าใจเขาเป็นปัจจุบันนคิตปัจจุบันนะ่ะทขึ้นมาแล้วนั่นมันรูเท่าในอารมณ์ในขณะนั้นนี่มันเป็นสันมันต่างกันอันนี้ฝึกเอาตัวภัยตัวมันเด้อไปเอาลาบานี้เด็กเกือบแล้วเด้่ย